สูเขาทีสักก็ควรตวระหัสัสัมมาสัมพุทธัสสะกรณานตัวปัญาสังวิสสะวิสะสังวัจชะโรตระปัญจชะตาติกานิงเสังวัจชะ ชาตานิสกันตานิปัสสุปันนานาเวเสนาเพื่อสายุนงมาสักจะต้องวงสินังวารเวเสนาสนัตระวิวารโหติเอรังกัสสะสุวะโต ปาริมิตรนาสานาโยกาละคะนันสัเคตภมชะหุตังสานากาิตวัปาริม <laughs> ท่งองค์สมเด็จพระบิดตํมมาแระหัตถธรสมมาสมุูตเจ้านั้นบัดนี้เรื่อแล้วปีสองันห้าร้อยยี่สพันกว่าพรราชยินบันในสมัยพร่ศรีกายจนมาศวันที่สี่ลัาทิศวัน้นึ่งปัจจุบันวาน ว่าพุทธศาสนายุการจำเป็นเถอดวันปรินิพพานิหองค์เซนเด็กเจ้ผู้มีพระพเจ้านั้นมีในยันพุทธโดยสัจจะถึงกำหนดนับได้ด้วยเครื่งกวะชมี นัตโมตัสสะโพสวาโตอรหันโสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะโะสวาโตอรหัตโสัมมาสัมพุทธะนัตโมตัสสะโพสวาโต นาโรหโตสมมาสมุตัสสะ t าตัยอาจนูนาโธโตหินาโธเรสียอาตัสุทันโตนานาทั้งละกติหินทั้ง นาโอกาสแบบนี้อาต ม, มาภาพจะแสดงพรสะสะัทธรรมที่สุนายน <c oughs> ในอาจารนาสาธาเพื่อเป็นเครื่องสดงอมข้าสัทธาวรมีคี่บันดาจมิตรราชานะบนดีทั้งหลายดุจ้อมใจกันมาบำเพ็ญดุสุไปจำปัด คือวันที่นสิบห้ากันยายนหนึ่สองที่เรียกกันว่าวันเพนตรงกับวันที่สี่พฤศจกายนสองพันห้ารอยที่สิบสองเน <c oughs> วันอาทิตย์การดูบรรดาเป็นพระธรรมสัพพิเดลสาวกของของค์สมเด็จเจ้าคนะมหามิรมามปึงบุญสงฆ์าวนี้ กรณเหตารัเหตุารดยการโดยการหนึ่งมันเป็นโดยตามตัดสือองค์สมเด็จสุจินัยไม่สาดสัญญ้สมมาชระเจ้าทรงไว้เพ่มีสงดาท่าผู้ใจฟ้าท่งม่ใจคนงันหลายตั้งใจจะพ่ะตนเองเันเห ยิงได้พาันปฏิบัติในภูมิคติยาวัตุจนสามเหการณีองค์สมเด็จพระบรมมฤคยร์ไปพูดศาสนาสัมมาสุภเดชยาวทรงสอนเพื่อการสุท้ายก็ตั้งใจลอยกระทงบูชาองค์สมเด็จพระจุนาวรรมมาศาสดาสัมมาสุภเดชยาว เธอจางสาเมญการีีกล่าวมาแล้วมีเราาา่ากล่าวกันในว่าเป็นมาหาอุปสนที่บรรดาท่านพระเจ้สาขาท่านเจ้าชนบุรีปฏิบัติแต่ตตว่าองค์สมเด็จโสทรงเังยวัดสีโสท่าโุยทรงจับเป็นคาบาลี เตือิใจบรรดาธรรมปเจตสาสนิกชนเลยว่าอาชาหิอาเโนนาโธโกหินาโธบรอสชยาอาชาหิสุธรรมเตนะนาทาั้งลัติทุลังซึ่งแปลเป็นใความว่าตนลยมนเป็นทีพึงของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นดีพึงได้ เเราสุดผนตนของาะจำเราดีและใจย่อมเันได้ที่ซึ่งองบ์คนอืนอ่นได้โดยยากอันนี้เป็นรพระพุทธคดบรมบาลีที่องค์สมเด็จนสะนเรศวรมหาราสมัาสมัยสมัยพะพุทธเจ้าทรงตรัสตามทีุ่นหน้าชายยกกราวถวายทานในที่นี้ที่มัตสกพัด ทำวรรมจะจะพั ก, พกาาจะมจออหมายมความว่าการถวายพักตาหารจะบรรดาภิสุสงต่อหวังมีภิกษุสงฆ์ให้บุคคลผู้ตายไม่ไั้หมายความว่าการดำพึงโดยสนข้างไรเราก็ห่วงผู้ตายเป็นอีกการมีองค์สมเด็จพระบรมรูปไปเชื่อทรงแนะนำแต่พระเจ้าสินดีสารมรรคได้สัา เลาที่เริ่มบาดเท้าเธได้ ส, ดสั่นเสียงเปรเป็นต้นแล้วองค์สมเด็จพระพุทธพนก็ทรงจับถ้าพระมาหาบอกว่บำเพ็ญตัวตนแล้วตัวตนตัวตนให้ปรตทั้หลายเหล่านั้นก็ยังมีความสุขขึ้นได้โมชนาแต่เจ้ว่าบันดาลพระพุทธบริสัทธทั้งหลายโดยคุณนาทรงทราบสวัสดิมงเปรตทั้งหลายเหล่านี้ หลังจากตาจึงคนได้นับจระมาณืมได้ตจงเกิดจป็นเศษอดข้าวอดน้ํามาเป็นเวลานานนานเท่าไร่องค์สมเด็จเจาจอมไตรบริมัยสากดาวไม่ได้บอกระยะคนไว้แต่องค์สมเด็จเจาจอมไตรมาสงจับตอนหลังว่าเมื่อไหหลังจากกับนี้ไป๙๑กลับ ส ม, สมสเสมด็จพระสมมาสัมพุทเจ้าทรงนมบ้าพระบรมมุตละทรงบัดซึ้นในโลกในตอนน้ำเปรตพวกนี้เป็นประทับตูวไปชีวีเปรเมือโอกาสที่เทโมธ น, นาส่วนกุบส่วสนใต้กินข้าวไเต้าองค์สมเด็จพระอมไตร ย, ยมิมฉาสินได้กระโทนถามว่าพวากข่าพระพุทธเจ้าอดข้าวอดา น, าน้ำมันไม่ เขาองค์เขาหมดข้าวิชิตมารลงมาสาสนบาโดยโปรดทรงเขาอายาลงโปยเจ้ามีข้าวมีน้ำคินใบหิ้วหอยมานานลงหมดข้าววิาิตมารลงมาสาสนบาสรงพะองคพระทุมมุตระก็สงสว่าตัตาดูคนเจ้าตอนตื่นทั้งหลายการเวลาที่เจ้าจะโมทนาทรงเจสาตนนังอยางไม่มี วลนทีกับนี้ันกับต่อไปขึ้นหน้าอีกเก้าสิบเอ็ดกับญาตงเจ้าจะเกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าพระเจ้าพิมีฐานบริมติสัตว์ต่อมาร่ำบาตรเทวีมีความเลื่อนออสออายในองค์สมเด็จพระอมใจบริมตาสัตสันดามีนามว่าพระสมณนโคดม ในตอนนั้นแหละเมื่อพระเจ้าพิมีฐานเมือราสักสังมาช้าคือบำเพ็ญบุญส่วนรล่าที่ส่งบุญส่วให้พวกเธอจังหลายดะรักบัวจันนาแล้วก็มีความสุขบรรดาเศษจังหลายเหล่านั้นต้องคอยมากล้าดุดสงกับทั้งกับตีขาเพื่อใา้ได้เจ้ากันด้วยจนเลยไม่กล้าเสด็จกลับตทั้งกับนั่นก็เป็นก้าดุดสกับนี่จบรรดาจนงศรษฐบริษั จะมีท่านหลายบาำเพ็นให้กับบคุคคลผู้ตายไปแล้วมันมันก็ไม่แน่นั ก, ก, าากนนว่าบุคคลที่ตายจะมีโอกาสโมทนาส่วนกุถ้าหากกรรมที่ตนทำมาแลเป็นอกุศลหนักก็องมีโอกาสที่โมทนาได้ดูตัว อ, อย่างบรรดาเปรตทั้งหลายพวกนี้ <c oughs> เป็นเปรตระดับที่ดิบสองที่เรียกนันว่าวรรัาตูปชีรีเปร มีโอกาสที่จะมโนสนนาในการสื่อสอนที่สนเอาทำและรูปที่สื่อสอนได้ให้แต่ก็จําเป็นจะต้องเลือกคนเลือกการเลือกสมัยขรมานกายจะกั่นมาถึงท่ายี่สองกั บ, เ, กบเป็นเวททั้งกบรรดาท่านพุทธวิสัชมีความเคารพในศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมมรโลกไปจทูตก็รวรจะช่วยตัวเองเป็นสําคัญ อย่ามีความหวังตั้งใจเลยว่าถ้าเราตายไปแล้วนั้นเราจะมีโอกาสโมทนาส่วนตนถ้าบังเอิญไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีโอกาสเลยถ้าเป็นเกิดอัดับที่เอเป็นโทษที่มีโทษมากก็ไม่มีโอกาสโมทนาส่วสนถ้าเป็นเกิดขั้นสุดท้ายที่ว่า ร, รับประทุทตัสตูปีตีต้อ ง, งเลือกบุคคลผู้ให้นี่มันแสนจะลําบาก ดังนั้นองค์สาเร็จพระร่มมรโลกกมามเพื่อนแบเนี้ว่าอัตากฮตนนาิตอัตโนนาโถตอนนีงชเลามีแหละย่อมเป็นที่ชื่นของตนเองเราจะดีเราจะเพื่วอยู่ที่ตัวเราจะไคอยให้ชาว บ, บ้านเทุกสิ่งโรมสนให้ในดวงใจสมควรกอรินาโธบรลสยาถ้าเราฝุกผลตนดีแล้ว ในที่้สึกเราก็สา ม, มารถเป็นได้ที่ซึ่งองค์นคนได้โดยยากนี่ก็หมายความว่าถ้าเราคิดว่าเราจะตายเร่ความลาบากแล้วก็สร้างความดีเสียก่อนอย่างทุบรรดาเป็พระเตมบริสตเป็นหลายมีความเรื่องสายมีองค์นนมสมเด็จไตรนวรบรมศาสตร์พันดาว ม, มาบำเพ็ญกสศลในคราวนี้ เขีนเล่าว่าอุณิกริยาวัตถุทั้งสามเรอการหรืองค์สมเด็จพระที่เป็นมาลสงจัดเราปฏิบัติได้ครบคือหนึ่งทานหม่นสมเด็จในการบริจาคทานการให้ทานนี้ในชาติตวบันใจเราก็มีความสุขเพราะเราได้รับนึกถึงบุคคลที่รับทาน ตายไปแล้วองค์สมเด็จพระจุลินทรตมัน ก, ก็ตัดว่าทานนางสัจโสทานนะทานเป็นปัจจัยให้เราเกิดคนสวรรค์อาจาติกลมาเกิดเป็นมนุษย์เมรัองค์สมเด็จพระจอมไตรปัฏฐานส่งข้อทา น, ทานว่าหนึ่งตีโยจะไดเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปสกุจิสัจโ ท, ทชื่อเสียงความดีอของเราเพื่อฟงขจรไท เมื่อเราสามดีสามได้โทจะไปที่ไหนก็มีความกล้ากล้ามีความองอาจตัว อ, อาสานบนโผล่มามเวลาจะตายไม่หลงตายคือมุกจะมีสติฉันไม่กันยาการที่มีสมติฉันไม่ญินาหมายความว่าจิตจับอารมณ์ที่เป็นอุปสนได้ไปแล้วก็โปทสทู่สติโลกสวรรค์ นการมสองพันดาเช่นพุทธบริษัทธุรท่านมาปฏิบัติเป็นมูลนิยามวัตถุที่ิเศษก็ว่าศูนย์ใหม่โดยบุญสมเด็จโดการเอาสาสีนไอของศูนย์นี้องสมุดสมมติมูลนิย่าว่าศู้ย์ในสุขสิ่งยตี่มีศเลยสุดมีชีวิตปันปฏบันก็มีควาเดือดร้อนมีรมใจเบสุด คืเลนอโภกสมถะในสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็มีพวกสมบัติบริโภคถ้ทินเมืองถือเลนนิปูจิงเงินจิตใจก็สงบเปความเดือดร้อนนี่เป็ในสมชัตปัจจุบันอันในสมชัตหน้าองค์สมเด็จพระพุทบรมัสสัากล่าวว่าคืเลนนิปะจิงเงนจิต เมื่อคนไม่มีศูนยบริโภคตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ศรีเลนะโภกสมธาจะมีคิพระสมบัติมากศรีเลนะมิตรจึงยันติสูนจะเป็นปัจจัยให้ใกล้กับพสียงเสืส่อมสติทานมิเดนว่าศีนมีองค์สมเด็จข้าวที่แต่งมาบริสับดาตัดมันแล้วบรรดาธรรมุตบริสัทธ์ถึงหลายก็เะมีความปรรองค์สมเด็จอาบะทีเแก้ว ได้ปฏิบัติตามแล้วทุกเหตการข้อที่สามภาวนาใหม่ที่เรียกนู่ว่าบุนสมัยเหตุการณ์เจริญภาวนาเวลานี้ฟังเทศฟังเทศตั้งใจฟังเป็นสมาธิในธรรมชาตทวิายายามคิดกรรมไปด้วยจะกก็เป็นภาวนาใหม่มุนสมัยมุนสมัยเหตุการเจริญภาวนา คิดว่าเพื่ขอข้อใดที่เรา ส, รา ส, ม, าสมัยเราพุทธกาลชนะแสดงมาแล้วทั้งกันแล้วสิ่งนั้นไม่ชอบใจเราทั้งหมดเราชอบใจในปฏิเวชาด้วยคำสอนอสสของของค์สมเด็จพระบรมมุขพระข้อใดนําไปโดยทุกปฏิบัติเรื่องีองค์สมเด็จพระเชษฐาภิเศษถือว่าเป็นภาวนาใหม่เป็นมสมเด็จการเจริญภาวนา <c oughs> เังนั้นว่าไอนน้สองที่กลาา่าวมาห็นว่าจะอสักพวนเวลาก็ผ่านไปได้สุบห้านาทีเหือเวลาอกประมาณสิห้านาทีต่อนนี้ไปก็จะขอนามาเรื่องราวท่การลอยกระทรงมาสแสดง บ, บรรดาท่านผู้บริษัทจะยคงไม่พลาดเรื่องรอยกระทรงเป็นสำคัญ ใจความเมืองลอยตะพงนี้นั้นความจริงทั้งนี้เกิดขึ้นในส ม, มยัยของสุขโข ท, ทัยอาจารย์ด้งบาลีไม่เคยกล่าวไว้ที่ไหนว่าในส ม, มัยองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกสุนดาทรงชีวิตอยู่ไม่เคยพบกับองค์สมเด็จพระรัมยุทธทรงตัดไว้ที่ไหนแต่ว่าในส ม, มัยสุขโขทยัยตอนนั้น พระพุทธ เ, เจ้าคือพระเจราญแผมแผ่มหาราชพระเื่อองค์ก็้ทรงเป็นปราเวลานั้นมีพระอริยเจ้ามากจึงไม่มีการนังคับกรรม ก, การบางเป็นกุศลไหลายเหตุร้ายโดยการโดยธรรมถ้ามีเพราะว่าตั้งใจให้มันดาเป็นพุทธบริษัททุกแั่งคือบรรดาประชาชนคนไทยมีใจน้อมนันงได้ของบุศล เวลาจลางเรือนทีสองก็ตั้งใจเพื่อจะลอยกระทงวันเข้าพรรษาตั้งใจทําบุญเพื่อเข้าพรรษาวันตืน่นเบงสุดจัดเป็นวรนศาสทาบุญเพื่อหีสุดตายวันออกพรรษาทําบุญเพื่อออกพรรษาเวลากระบิ่นทานทาบุญเพื่อถิ่นการนอกจากนั่งบานทำบุญเพื่อผ่านน แล้เวลากลางเดินสามทำบุญเพื่อมาพระบูชาเวลาขึ้นตคือสึ้นจนสีต่อเันห้าดทำบุญเรื่องจุดสงกรานตุ้งจุดวันที่ดึาสามเมาจนทำบุญเรื่องสงกรานแล้วก็ต่อมาวนกลางเดนหกทำบุญเพื่อรีสักบูชาแ mm hmm. ็นงว่าแค่สองในรู้ใจศสาสตร์สน า, านนราณิมีพระอรียเจ้ามา กินกันหมดการทำบุญาำบุญโดยสนุ่เสษ็จเปหลายราการดยกันท่านมีก็เพือย้ า, า, ายบรรดาของพรบริษัททุกท่านที่มีความคาในพระศาสนาว่าทำบุญครัง้งนี้แล้วต่อไปเราจะทำบุญอะไรนอกจากบุพระธรรมดาเยามีถือว่าจิตสิงโยชนการทาบุญสนุ่ถึงนงง ไ, ได้หนึ่งพุทธบุตรธรร นำดอกไม้ทุเรียนมาบูชาให้พกะเจ้าจัดเป็นพุทธานิสติสมาทานของเวลาทำบุญไม้มีโอกาสถนัดกรทธรรมศาสนาใจตั้งใจตั้งทัมจัดเป็นธรรมามิสติสมาทานเรื่องการนสัยเวลาทำบุญปราบรสตองในพระศาสนาเป็นสาคัญย่ามีด้อวันันทานิสติสมาฐาน เวลาทําบุญเราต้องก า, ารรักษาศีล จ, จิตใจทิดว่าวันนั้นจะต้องรักษาศีลอย่างนี้คือนศีลานิสติสมถทานเวลาก่อนจะเริเมื่อสมาทานศีงแล้วก็ตัง้งใจจะไหวทานอ ย, ย่างนี้จับสิตใจทานิสติสมถทานหลังจากา น, จา น, นั้นเด็สมัครรับรบทพระพุทธเจ้าพันาข่มบาดาสชนหลายนำมาแสดง ให้เห็นเพื่อสงการเกิดว่ามันเป็นทุกข์คือาทีทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์เวลาทุกข์าความแตเป็นท uh ุกข์ม่ันเป็ทุกขังความตายเป็นทุกข์การพัดผาจากของักของชอบใจเป็นทุกข์เราจะหาความทุกขได้เหตุสมพื้นฐานอันนี้จับยากเป็นภาวนาใหม่เ็นเสตุคัญ เป็นอนุวาบรรดาเปโสรงในสมัยนั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระเจ้ารานจอมแผ่งท่านมีความฉลาดมากยืนได้เราบรรณาให้มรรดาเปโสรงสาวว่าพระองค์สมบัติการสรุปมีขภาพเจ้าบัญญัติกองการโภศลไว้จิตใจของมรรดาท่านพระเจ้าสาวจม่กชนบกพร่องใดน้อมใจไปในด้างของโศชนสุลาตายแล้วอย่าน้อยที่สุดก็ไปสู่สวรรค์่าดเดือดโลก ตัวอย่างท่านมัจจาติีเทพบุตรไม่เคยไหว้พระพุทธเจ้าไม่เคยใส่บาตรไม่เคยตังเทศไม่เคยรักษาศีลไม่เคยถวายทานเวลาจะตายไม่ถึงองส ม, มนนสินหมดจพริยธรรมโดยไม่ขาดกันนานแล้วปรากฏว่าเธอไปเกิดบนสวรรค์ขึ้นดาวดินสัตวโลกต่อมาได้ตังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าจเาบเดี่ยวก็มรรลุเปโสรดาริตผล ในวรนดาพระพุทธศาสนาชนิดตนการบเป็นบุสมโยมมีประโยชน์อย่างนี้ทั้งหมดในวันนี้บลบหีรับเรื่องการลอยกระทงตามประเพณีนิยมต้งมีมาจากสมัยกษัไทยแต่นั่นไร้ผลตังใจรู้ว่าการลอยกระทงนี้เป็นการบูชาลอยพระบาดาขององค์สมเด็จพระบร ม, มโอรสาธิย ที่ท ร, รงแสดงราษ่มบาตรให้ปรากฏในสติฐานไว้ชื่ อ, อในน้ำมโน ม, มาณทีความจึงพระบันดาเป็นพระตระกูลสัต ท, ที่ได้มโน ม, ม, มยุทธิยองพันจิตกงบอกว่าองค์สมเด็จพระบรมลสด็จแสดงไว้ที่ไหนแต่ความจึงตามทั้งบาลีกล่าวว่าชื่อในน้ำมโน ม, ม, มานที จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใชนะ่ในน้ำถ้าในน้ำพยายามมากมายากแต่ความจริงมันเป็นจุด้นทะเลเป็นตากน้ำอโนมาณนะทีอยู่ในห่วงของทะเลที่องค์พระเดชไปจินนาสีเท็ทนหัแดงลอยคำบาทไวอันนี้ให้เป็นไปตมามมันเยาใสเขาไมย า, มากหน้าไปสัตว์น้ำทั้งหลาย <c oughs> ในการรายกระรงนี้พระบรรดาทางพุทธบริษัทนั้นหลายถ้าลยจะถึงตาลบแต่ ร, รายพระพุทธบาทอย่างเดียวเห็นว่าไม่สมเหตุสมผลความจึงแล้วเพระบรรดาทางพุทธศาสนิกชนตั้งใจบูชา พ, พระรัตนกรายนั่นก็คือตั้งใจบูชา พ, พระฤาษีบูชาพระธรรมคำส่องสอนอรพระองค์สมบูรณ์พระจรรย์ แล้วก็อาชาบรรดาพระอรเยสม์ทั้งหลายยไมนี้เราจะมีริ่นใหญ่ไม้รัต น, นะเป็นสามการคืออนุสติเป็นสามาร า, ายการเวลาการลอยก็ะทงนี้ตามโบราณเขาถืว่าเป็นการขอข้ามาโทษตระองค์สมุทรสมมาสมุทรเจา้าตามโบราณสมัยเด็กๆท่านูใหญ่เคยบอกว่าเ้วเคยทายออจาระก็มีปัสสาวะก็ดีลงในน้า ถือว่าเป็นเหตุเป็นการไม่สารพัดระบายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงเรื่องนี้เห็นว่าจะไม่สมเหตุสมผลพระองค์สมเด็จพระรัตนชนไม่ได้ทรงทุกอย่างนั้นแต่ว่าเวรานั้นตั้งใจทาก็เป็นความดีแจ่กาขอก็มาโดยองค์สมเด็จพระจุลินทรีเริมมาสัตย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทันที่ใจไร้สายบริสุทธ มเมืเจตการกลายมากในองค์สมเด็จพระนเรศวรกน่าสนใจฟังหนึ่งข้อภาษาที่แต่คนได้ดีโอ้ยลเจ็ดนาทีก็จะขอกำแดงลอยเคบาตรที่กล่าวไววใส่เล็กน้อยที <c oughs> ่เป็นกลาวไหวม่ใช่มะราวสำหับอยเรืบาตนี้นอกจากมีเจ้าที่ลังกาแค่น้าไม่น้มนมานาทีนนะความจึงมีอยู่ใกล้ลังกาไม่ใช่ใกล้อินเดีย ไม่อยงเศษหลังคาเพราะจึิงในน้ำมโนมานาทีเดียนี้เราคงหายก็ไม่ได้แล้วก็จุดที่มีนั้นใช้เราทำบ่ายก็กลายกดก็อยู่ในทะเลนอกจากว่าน้ำมโนมานาทีแล้วองค์สมบัติในสีตามที่กลายกดองค์สมบัติเท่ากันมาสู่พระเจ้าสันดไม่บรรลในเคกาลังกาถือเพราะเคราะห์หลังกา หลังจากมันจากนั้นมาพรารษาที่เก็บรงสน่ห์ตัูรีละทาเจ้าทรงระบิดนโเดตกันดสีที่เมืองปรนตปะรนครเมืองป ร, รงนตปะนาครในสมัยนั้นอยู่ชายทะเเมื่อเวลาที่องเสน่หไปฉัน ม, มาฉันก็เจ้ามาทศโดท่านปราณปะราษนาคีก็มีอะไรตผลตอนเมื่บริษันิพายาน พร่องค์มสมเร็จพระยุธรรมญาทรงสำเร็จจากท่านปทันปะเชรษฐีและพระอรหันองค์นั้นก็ข อ, อขอบันดาลมิตรเจ้าหมายไว้อ ง, งค์สำเร็จในจารใจโดยไม่ใส่สนาก็ทรงแสดงโลสมบัติไว้เป็นอนุนวาตอนสมสัยกรุงศรีอทงกยษเวลานั้นพระในประเทศเรายังมีพระอรหันต์อยู่มาก ถามว่ายมีแค่หันทำไมประเทศแตกกันหลายมั่นในเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของพระเป็กดของกรรมมีเรื่องสองคณะหนึ่งไปลังกายท้ารังกายก็ถามว่าท่านมาเทระอะไรมันดาโดยคนนั่งหลายละมันก็สาเรียนว่าต้องการจะมาบูชารอยรอบายนะพระองค์สมเด็จพระบรมหมลวงกรนั้น เื่อนพระองค์ที่ไปถามนั่นเป็นพระอรหันต์พระบอกว่าจะต้องมาที่นี่ทาไมประเทศไทยมันก็มีอยู่องค์สมเด็จพระละมัคคูสเสนบดีรอเพื่อนบ่าทานบระบาลมณฑปเอเอสีไอ้ที่เมืองเป็นะาลปปะตอนแรกไม่ขับเป็นเรื่องสีน่ามาเกิดการพระคนนั้นยังถามว่าเมืองบาลปปะมันอยู่ที่ไหนนดาพระอรหันต์ กว่าเมืองประประปราเวลาในยุประเทศไทยเรียกถนวงว่าเมืองสระบุรีเป็นนวงว่าพระพุทธไงกลับมาก็กราบถูนพระเจ้าสิทุนธรรมศาสตร์ไ ม, ม่นีแสวาหารอยพระ บ, บาณเป็นหน่วงว่าเจริดีมีระเบนดาท่นานพุทธบริสัทธ์ทั้งหลายตามหน่วงว่ายอยจำบายพระองค์สขาไม่เคยตามใจประมิจฉาบรรดาไม่ต้องไปตามประเสได้ที่เมืองเราก็มี รเราเร ก, การไมวราสมบัติคนดีไหวพระพุทธเจ้คนดีมิน้อมใจว่วองค์สมุทรพินมีก็ดีถ้าเราทากันไปด้วยจกันนาตั้งใจเป็นบุญบลบรรดาท่านพุทธศาสนาธชอนก็ย่อมมีผลเป็นพุทธาลิขิตสมารานแม้จะทาได้วันันไม่มากองสมุทรพิณมามีจึงเป็นว่านึกถึงความดีของเร วันหนึ่งเพื่อขณะจิตหนึ่งก็ชือท่านถือว่าบุคคลน้ำเป็นผู้ไม่ว่านใจขานดังนั้นในการลยอยกระทงวันนี้ก็ขอ บ, นาาอนาานบันดาลสาวกพระองค์ถนเด็จพระบิดามาณบริมาสสะดาสัมัยสัมุทธยเจ้าทุกท่านจงอย่าตั้งใจโูชาแต่รอยสมบัตในแม่น้ำมโนมานตาีหรือว่าปากน้มโนมานตี ในตั้งใจนำมาจัดการ อ, องค์สมเด็จพระชินยสีวลัยสัตยาสัน า, ม า, ามาสมภิชฌาโดยตั้งใจไหวพระธรรมคั่สงสอนพระองค์สมเด็จท่านมีสภาเจ้าโดยย่างตั้งใจนำมาจัดการพระอริยสงฆ์ทนหลา ย, ด, ยด้วยจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกล่าวว่าเป็นการเป็นการขอขามาเราก็ขอขามาโทษไว้ก่อน เป็นการป้องกันตัวถ้ามี้เพราะว่าเราทราบไม่ได้ว่ า, าการจิตที่เราคิดตนดีใจประทาตนดีวาจาศดดีทุกข์อาบุญเนี้จะมีการกาวมากพระรันตรนะไัยหรือไม่ก่อที่เราจะรายสะถิ่ก็ต้องใจบูชาพระรัตนตรยนัยก่อนแล้หลังจากนั้นก็ขอเข้าเทอดแตองค์งโนโนมสมเด็จจุฬนาวานโดยม่เสียสนดา ที่เราไม่เคยกรามากใปพระรัชนัใดถ้าเราไม่เคยกรามาโดโทษอันใดมันก็ยังมีทำดีข้างเราให้ผองใสที่เคยกรามากดไปแล้วทางใต้ตะองผลจะไปจอมใจบนในสายธนาทรงสงออเคราะห์อดโทศให้เราสมบทโทษไปกาลังใจให้เราก็จะคุณมีแต่กุศลในระวร น, น, นดาทำพุทธศาสนาให้ใจเฉยโดยทุนาถ้าจะถามว่าลรยกระทงมียังสองอย่างไร เาต้องกล่าวว่าถ้ากาลังใจทั้งท่านทำด้วยกาลังที่เป็ น, นอชนายใจขุนบรรดาเป็นพุทธสาวนึ่งีนยังอ่อนเขี้ต้องเล่ร่อนไปในวัฏสงสารยาเน้อยอที่ ส, สุดเท่าตดวตัวดูดาครามมากพุทธาในสติธรรมานนสติในสังขารในสติสมถานกายกาลังใจขุนบรรดาเป็นพุทธวจักรมีความมั่นคงจิดตั้งตงรงเป็นทา อันตัวเปิดงปมถ้าเราพันดูคนดูใบแม่ยในร่างกายเกคนเห็นว่าองค์สมเด็จพระรัชกานคนเป็นอาตาริยะมนุษย์มีความมีรสสุขยิ่งกว่ามนุษย์ปันใดพองคนขันห้าของสมเด็จโตผูนมีระท่าเจ้าอย่างพางเราจะคิดว่าเวลานี้สมเด็จเป็นสมายที่พระเจ้าทรงไม่สนใจทางขันห้าขันใด เราก็ไม่สนใจในขันห้าชั้นนั้นเวลามือค์สมบูรเข้าพิมัลงมาศาสัญาสมาสมจากไหนเราต้องการไปที่น um no ั่นไม่ก็ปฏิบัติตามวระยังกตามคสอนองค์สมบูรณ์โดส่งไคือหนึ่งทานใหม่บริสาทธานให้ริสิบริสุทธิ์ทีวความโลกคือน่งใหม่ไร้สาสนิยบริสุทธิ์แลตัดความโกรภาวนาใหม่รู้จักเข้าธรรมแงกายขึ้นนว่ามันเป็นทุกข์ มันไม่มีความสุขเราไม่จังการร่างกายต่อไปในดิสุดปันดาวเป็นผุตบ ร, ริษัทหลายก็จะมีในสงครามฮัมบารีที่จะมาเวลาอัตไยอัตโนนาโทตุนแรงวันตุนทุกข์ที่ตนวอยนาโท